ใจที่เรามีชีวิตมีกายมีใจกายใจในี้สแสดงข่าต่างๆภพภูมิต่างๆรู้หมดมมีปกปิดซ่อนเล่นกายของเราใจของเราเพราะแต่เราจะหลงมีตาภายในดยแลกายใจให้ดีในเกิด จุดโอนผิดพลาดที่ถูกขี้ผิดถ้าเราไม่สอนตัวเองไม่ฝึกฝนตนเองก็เป็นโทษเป็นภยัยถ้าเราฝึกฝนตนเองก็เป็นประโยชน์เราก็เป็นมนุษย์เป็นสังคมอยู่ร่วมกันมันก็เกิดประโยชน์ต่อกันได้ต่อชุกสภาพสิ่งได้มีกายมีใจ กายใจก็แสดงออกหลายรูปแบบมีขามีแขนมีเลียบมีแรงช่วยผู้ช่วยคนได้มีมือมีแขนมีที่แบกมีที่วางมีที่ยกทำได้มีใจก็มีที่ปล่อยมีที่วางตรงไหนวางก็วางปล่อยออกไป ตรงไหนที่เช่นแสงปิดกัน้นไหวก็ปิดเหมือนน้ำเขือนน้ำฝายถน้นทางอีกเถียงเราเนี่ไม่ต้องลงทุนอีกแล้วมีทุนเพิ่มแล้วตรงไหนที่มันเป็นพิษเป็นภัยพอไปตรงไหนที่มันเกิดประโยชน์กักเอาไว้ขังไว้เก็บไว้เหมือนน้าในสระวัดป่าสุกโต แต่ก่ น, นี่ปลเปกันหมดน้ำตาจากไร่จากสวนชาว บ, บ้านที่มีสารเคมีถึงไหนที่ปล่อยไปทางอื่นก็ปล่อยไปทิ้งไหนที่เก็บไว้ก็เก็บน้ำเคมีไปทางหนึ่งน้ำบริสุทธิ์ไปทางหนึ่งเข้าสระสําหรับไว้ใช้แล้วก็ปิดไว้ขังไว้ โดยใช้อาศัยเป็นปัจจัยภายนอกมันเกี่ยวกับปัจจัยภายในคือชีวิตเราพอประโยชน์จากมันถ้าปล่อยมันทิ้งก็ เ, เสียประโยชน์ว่างอย่างเป็นโทษก็ปล่อยมันหนีนําพิษให้ปลายทางหนึ่งอ น, นั้นก็ต้องลงทุนใช้แรงงาน แต่ว่าชีวิตของเราไม่ต้องลงทุนเลยสมปรารถนาอะไรที่มันเป็นพิษไม่ต้องอาศัยบัตถุท่หนึ่งที่สองมาช่วยจอบเสียงรถเครื่องมือไม่มีให้ใจมันหลงมันก็มีความไม่หลงอยู่ในใจใใจมันทุกข์มันก็มีควา ม, มทุกข์อยู่ใน ใ, นใจ ในใจมันโกรธนันก็เม่ควมไม่โกรธอยู่ในใจเท่าใดเท่ากันหลงปายจะได้รู้หลงไปลายซุปหลงปลายเจะได้รู้หลงไปลายการที่เป็นโทษกลายเป็นประโยชน์สิ่งนี้เป็นโทษแต่เป็นประโยชน์เห็นความทุกข์เป็นประโยชน์ทำให้เราเห็นแจ้งไม่เขไปหาทุกข์สัมผัสตัวแล้ว ไม่เป็นธรรมเลยเป็นโทษต่อตัวเองและคนอื่นอะไรที่เกิดขึ้นกับปากกับใจเนื้อมันในมันปฏิบัติดดได้ให้ผลได้ไม่มีการไม่มีเวลาไม่ต้องกลัวพวกเราอย่าไปน้อยเนื้อจำใจตบเกตัวเองผางเลยทีเดียวว่านี่เราจะเป็นีืดเปืิฐตรงนี้ ในวันนี้คือวันปีใหม่สองพห้ารอยห้าสิบสองเราจะก้าว่างไม่เยี่ยมอะไรที่เป็นความดีเพียนทําให้ได้ในปีใหม่แต่ที่เป็นความชั่วเปลี่ยนละให้ได้ในปีใหม่เอาความดีออกหน้าออกตามีเมตตากรนาก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดตณะที่พูดที่ทาที่คิดมี เมตตากุณาทั้งต่อหน้าและรับหลังไหนเพื่อนมนุษย์สัพเพสิ่งหนี่เราก็ทำได้จัดสรรการใช้ชีวิตแบบใหม่ก้าวใหม่จะให้เปิดให้เพื่อนสิ่งที่ทำให้เปิดเพื่อนคืออกุศลธรรมหรือว่าบาปมาันเศร้หมองจะ เ, เข้าไปหาอย่านำมา มองให้มันเห็นแจ้งความส้อมมองแววเป็นบาปบ่อยจากจาระคาปล่อยออกไปแล้าจากจาระคาสละอารมณ์เล่าออกจากจิตใจตัวเองให้ได้อย่าหมักห ม, มมเจ็บไาไว้หาดจากนี้หัดตั้งแต่เบื้องต้นถ้าเบิง้งต้นไปหัดมันก็ไม่เป็นสักตีถ้าหัดเป็นแล้วมันก็ไม่ยากไม่ต้องหัดอีก ก็มันหลงก็รู้พวมพอมกันไปอะไรที่มาไม่ใช่ความเป็นธรรมเกิด ข, ขึ้นชีวิตเราเราก็สัมผัสได้เราจึงเห็นได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จากัดการถ้าปีใหม่ก็เป็นใหม่ของพอศอแต่ถ้าจะใหม่ของชีวิตเราคือการกระทของเรา เปลียนล้ความชั่วเปลี่ยนทำความดีความชั่วเราก็เห็นไม่มีปิดบงังอันพางสงท่านไปปีเก่าเห็นล่อโมอยาอย่าเข้ามาในปีใหม่นี้ไปทะลาะว่ากันที่ใดเมื่อใดอยู่ที่ไหนถ้าอยู่ในปีเก่าโน้นปีนี้ไม่ต้องเข้ามานํามาแต่ความดี เบลังพ่อหวัวนเนี่ยที่เป็นนักปวดเนี่ยแต่ก่อนเป็นจ่าทหารติตเล่าหัวบวชก็เ อ, อาขวดเล่าเที่ยงไว้ประตูวัดถามดูนะว่าเราอยู่นี่นะเราจะเข้าวัดแล้วจะตามเราไปเขเลิกเล่าได้ตั้งแต่วันนั้นไปต้นมาอันนี้คือการกระทำเล่ายังเป็น ปัจจัยอันหนึ่งข้อกายของเราอยู่ในเราเทอะเถอะความหลงอยู่ในเราความทุกข์อยู่ในเราเราก็เห็นอยู่คนอื่นก็เห็นเราก็ไม่ตามมาหัดเจอองต้องหัดตัวเองบ่อยๆก็เป็นแล้วบนะ่เนี่ยก็สอนได้มันเราหัดหัวหัดควายหัดเข้าธาตุเข้าคลาดเ ท, ทียมไถเทียงล่อเทียมเกวียน หากครั้งเดียวไม่เกินอาทิตย์หต่อปีต่อไปไม่ต้องหัดจะมาเทียมค่าเทียมถ่ายที่เทีย ม, ยมลุเทียมเกล็นเลยนั่นเป็นนั่นเป็นศาสตร์ฉันแล้วมันไปเจอกว่านั้นถ้าเป็นหัดตัวเร็วกว่านั้นเราจึงต้องหัดการวิธีหัดที่มันศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของคนเราก็กรรมฐาน เป็นวิชาศักดิ์สิทธิ์หัดได้จนจบรวม่วบสู่ความดีจนถึงมรรคถึงผลหมดพิษหมดภยัยต่อให้เราได้ตั้งใจไว้เสมอเพื่อให้เป็นปัโกัแก่เราหัดลหลายๆอย่างอย่าคกคนพาลอะไรที่เป็นคนพานในตัวเราก็มีนอกตัวเราก็มี ในตัวเราความหลงความโกรธความทุกข์ความเศร้หมองเป็นคนผ่านมีในชีวิตเราอยา่าคบไม่เห็นด้วยเดียวมันหลงรู้ไม่ครบคนผ่านแล้วครบบัณฑิตเดี๋ยวมันโกรธรู้อย่าครบคนผ่านคนผ่านคือมันทําให้เดือดร้อนความโกรธความโลภ ค, ความหลงความทุกข์ เป็นคน่านมันเป็นูพปันนึงที่มาอาศัยจิตใจของเราอาศัยกายของเราเราก็ไม่ต้อนรับวันนี้คนผ่านภายในชีวิตเราคนผ่านภาย น, นอกก็มาชวนที้เกียรติชี้เก้านายกรบาอาชีพชวนเที่ยวเตะล่น เป็นนักเลงผู้หญิงเป็นนักเลงสุราเป็นนักแเลงการวันานวันนั่นคนฟานภายนอกก็เห็นใครทักห้ามเราเห็นไปงานทํางานมาเชิญกลับบ้านเธอบัณฑิตแล้วกลับบ้านเธอเพื่อนอาจะไปโน่นไป น, น, ป น, นี่ไปเที่ยวสักหน่อยไม่ต้องไปกลับบ้านเธอเธอว่าบัณฑิต ถ้าใครชวนไปจินเล่ไปเที่ยวคนพานแล้วพวกนนพาลพาไปหาโทษหาพัยครบบัณฑิตพาไปหาผลกลับบ้านกลับช่องอย่าทิ้งบ้านทึ้งเดือนอย่าทิ้งครอบทั้งครัวอันนี้ครบบัณฑิตภายนอกแล้วก็มีอยู่ตลอดเวลาคนพาลบัณฑิตภายนอกแล้วก็มีบุคคลโตตน ผลผ่านภายนอกภายในก็มีเหตุปัจจัยต่างๆผลผ่านภายในนี้ก็สำคัญรวมหลงไว้เจ้าเรือนต้อนรับความทุกข์ความโกก็มาอยู่ได้มันเป็นหมู่เป็นกลุ่มกลุ่มบาปก็มีบาปมากลุ่มบุญก็มีบุญมาชีวิตของเราต้องหัดต้อนรับบาปละบาปต้อนรับบุญ ทร้ากุศลท่องบนคิดดีพูดดีทำดีหัดรบบัณฑิตบูชาบุคคลคนบูชาวิรารมดาครูอาจารย์วิรารมดาไว้ข้างหน้าไปไหนอย่าเอาพ่อแม่ไว้หลังเอาไว้ข้างหน้าไม่ถือไว้ให้มันเคยชินหมือนสมัยก่อนคนโบราณเขาถือโทรณีท่อแม่โทรณีเป็นดิน เวลาไปซื้อไปขายไปออกจากบ้านแม่จะเจ็บหยิบที่ดินหยิบดินโรยหัวให้เจ้าแม่เท่านี้ปกปักรักษาแม่แต่ดินแล้วก็อาศัยสมัยก่อนบางทีก็ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนนั่นก็เป็นภายนอกแต่มันอยู่กับเรานี่การทำความดีเนียการรับความชั่วเนี่ย มันอยู่กับเราการกระทำกับเราโอชาความดีเวลาใดชิดดีโอ้ยสัมปัตแล้วเย็นใจเวลาใดชิดชั่วเร่าล้นขอลบวิดามันดาตุคนควรโมชาตุคนไม่ควรโมชาหลุดเว้นบาปอากุศลอรตีเวตีปาปาเว้นบับคำอกุศล อะไรที่เป็นทุกข์เป็นโทษทำเป็นบาปบาปคือความเดือดร้อนตัวเองและคนอื่นอย่าทำอย่ามาคิดเพื่อให้เป็นมงคลในปีใหม่เยอะแยะไม่ต้องไปซื้อไปหาสร้างสอนขึ้นมาแต่ที่เป็นความฉุกร่วมกันเอาความดีออกหน้าออกตอาแทนตัวเองอาจได้เป็น แต่ไม่หัดมันไม่เป็นบางทีมันง่ายที่จะหลงความรู้ก็ยากบางทีทำดีได้ยากทำชั่วได้ไง่ายเพราะไม่หัดถ้าเราฝึกหัดแล้วมันทำได้มันก็อยู่กับเรานี่เราอย่งไรความรู้สึกกรลึกได้เหมือนกับน้ำที่ระยวดระยชนอย่าเพิ่งไปหาผลประโยชน์จาก การสร้างความดีให้ทําไปก่อนน้ำไหลใส่แก้วที่ละหยดไหลบวยๆน้ําก็เต็มแก้วเอามาดื่มก็หายแค่ก็หายได้แต่น้ำเดียวๆนี่ดื่มก็ไม่อิม่มดื่มก็ไปได้จะไปเอาได้เอาไม่ได้ตอนทำมาตอนเปลงขัดให้เพียนทําไปก่อนให้รู้ไปก่อนเมื่อกเราจินข้าวเราเหิวข้าว เอาจินคำแรกให้อิ่มเลยมันเป็นไปบบไม่ได้ก็เชื่อวไปคืนไปสมควมก็อิ่มเองเวลามันอิ่มไม่ต้องถามใครฉันอิ่มหรือเปล่าอนควรู้สึกตัวนี้เวลามันมีมากก็เป็นประโยชน์คือกินข้าวแต่ละคมไมอใช่ข้าวเมืม่อข้าวไปในปากมันกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อ เป็นชีวิตได้จากเป็ดข้าวน้ำเจองเราไม่ต้องไปแบ่งสรรปันนันส่วนนี้ไปเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นชีวิตเป็นกำลังมันเป็นธรรมชาติเหมือนเรากินข้าไปธรรมชาติเรามีสติมันก็เป็นเมื่อสติไปอยู่ในกายกายไปต่อสติสติมีอยู่ในกายมันกลายเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา เป็นบุญเป็นกุศลโผก่ยก็ไม่ได้ทามาชั่วอรไรยมีสติบวก็ล้วความชั่วในตัวเัาก็ไปงานรักษาศีลมีสติก็กทำความดีไม่บอกแวกเห็นเมื่อแต่บัญชิตก็เห็นเปลี่ยนตั้งแต่บัญชิตเป็นความรู้จึกตัวไปมันก็เป็นสมาธิเปลี่ยนเครื่องหลงเป็นความรู้ทุกครั้งมันก็เป็นปัญญาไปในตัว เมื่อมีสติมันก็เป็นกายเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาได้ไม่ต้องไปประเมินเอากรรมเป็นสิ่งที่ได้คิดหรือเหมือนกับเราปลูกต้นข้าวเป็นต้นกล้าไม่มีรากข้าวรากต้นกล้าเอารากของต้นท่าไปปักลงดินมีความชื้นพอเหมาะไม่แห้งไม่ท่วมต้นก็ ที่เป็นใรากไปปักลงดินเมื่อใดมันสัมผัสกับดินรากของต้นก็มันก็เจริญเติบโตเป็นลําต้นเมื่อเป็นลําต้นขึ้นมาก็เป็นดอกเป็นผลได้จากต้นก็กลายเป็นเป็นข้าวถ้าทําถูกนี่จากความรู้สึกตัวมาสัมผัสกับกายกับใจมันก็เป็นมากเป็นผล เกิดจากสิ่งเหล่านี้เกิดจากการกระทำเราไปต้องไปอ้อนว อ, อนเมื่อไรมันจะได้ผลเราปลูกข้าวลงไปเถอะเคลืเพียนใส่ใจที่ทำบ่อยๆมันน้าผนมีกำลังทำความปิดให้เป็นความถูกเหมือนกระนาทิหนักแน่นชัดเจนแม่นยำเหมือนขาดเหมือนไถพิก ย่พิกป่าให้เป็นดินขึ้นมาเหมาะที่จะปลูกฝังอันนี้ก็เหมือนกับมีความเพียรมาน้างฝนมีศรัทธามั่นใจบ้างเหมือนกับเนื้อเนื้อนาเนื้อดินํำเลที่เราผาอยู่หาจินมีที่ปลูกมีพื้นที่ไม่จนในการศรัทธา ต้นข้าวมันก็งองามได้ผลไม่เป็นเม็ดข้าวเป็นมรเป็นผลผลจากการปูกสติเมื่อย่อยผลเร็วไม่เกิดไม่เจ่ไม่เก็บไม่ตายแต่ไม่เหมือนเม็ดข้าวที่เรากินกินแล้วยังแก่ยังเก็บยังตายอยู่อันนี้คือกรรมฐานไม่มีการแบ่งปันกันได้ต้องเป็นของใครของมนันเรามาเอา เราเจ็บเราก็เจ็บเองเราเจอะเราก็เจอะเองเราตายก็ตายเองไม่ใครเจอใครเจ็บแทนกันได้เราจึงช่วยตัวเองมากมากแบบประมาณเริ่มต้นจ้ะประเทศไทยคนไทยไอ้วัดวารามีพระสงฆ์มีธรรมะก็สอนกันปฏิบัติกันอยู่ก็ใค ย, ยังหลงโก่อจังทุกเป็นคนล่าสมัยแล้ว พอไปไกลแล้วเดินทางมาไกลแล้วยังอยู่ที่เก่ามันไม่ใช่แล้วมันเปลี่ยนไปได้เราเดินทางไกลแล้วเกินอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาแล้วก็ามาเป็นบทเรียนของเราก้าวใหม่ตั้งต้นชีวิตใหม่ชีวิตที่ดีต้องสั้งต้นใหม่อยู่เรื่อย ตั้งต้นหม่อยู่เลยตั้งต้นในทางถ่วมดีตั้งต้นอยู่เลยถ้าหัดใหม่ๆต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนเด็กน้อยมันหัดนั่งไข่ตั้งไข่แม่ก็บอกว่าตั้งไข่ตั้งไข่อันนั่งไม่เป็นพอได้เจ็ดแต่เดือนแม่จะจับตั้งไข่แล้วเด็กมันจะเซไปมันลู้จากช่วยตัวเองตั้งไข่ล้วก็หัดเดินเวลาเดินลม้ม แม่เขาว่าคุ้มหนูคุ้มหนูอย่าไปยกมันให้มันช่วยตัวมันลองดูก็ให้มันช่วยตัวมันจะเชื่อมแข็งมันลุกเองเด็กคนไหนล้มแล้วไม่รู้จกลุกอ่อนแอใช้พราแม่ผู้ฉลาดต้องบอกเขาให้เขาลุกลุกย่องยงมันยกย่อมันขึ้นมามันก็ลุกขึ้นครั้งแรกมันลุกได้ต่อไปก็ลุกได้ ต่อไปก็เดินได้มันเป็นการช่วยตัวมันเองเด็กน้อยเหมือนแม่เอานมใส่ปากแล้วลูกไม่เกินนมก็ไม่เจริญเติบโตเอาข้าวใส่ปากแล้วลูกไม่เกินมันก็ไม่เจริญเติบโตเขาเกินข้าวเองเขาก็เจริญเติบโตเองพราแม่ฉันจะลีงเท่าไหร่ก็ไปให้ให้มันเติบโตแทนมันไม่ได้ าต้องช่วยตัวเขาในการาในใจเรานีลองให้มันช่วยตัวเองดูมันใจเข้มแข็งมากในด้านจิตใจยิ่งเข้มแข็งที่สุดเลยถ้าจะมีคำพูดเจ้าหน่อยก็บอกว่าไม่เป็นลายหนาวก็ไม่เป็นลายร้อนก็ไม่เป็นลายหิวก็ไม่เป็นลายใจต้องวางไวง้ก่อนปล่อยไว้ก่อนอย่าไปพูดอย่าไปเคลียร์บ้าไม่ไหวไม่ไหว ตายตายตายอย่าพูดคำนี้ลบทิ้งไปเมื่อเราทำอะไรที่มันมีความเดือดร้อนหนักหนาสะโหดทุกต์ดลร้อนในท่าเสิญไม่เป็นไรแต่ว่าปล่อยออกไปมันมันน้ำเน่า ว, ว่าน้ำสุกโตนี่น้ำไหลามาจากสวนจากไร่ชาวบ้านมันอาบไม่ได้มันคันมันมีสารพิษปล่อยออกไปถ้าเจ็บขังไว้ไม่ม่มโทษ เราเป็นทุกพอใจเสียใจพอใจไม่พอใจมันเป็นของเน่า no มันเก่าไม่ใช่ของใหม่ให้มันใหม่ต้องปล่อยออกไปเก็บอันอื่นไว้ที่ อ, ออกไปของเก่าว่าไม่เป็นไรนี่ใหม่กว่าเก่าเจ้าน้อยใหม่กว่าเก่าถ้าไม่ไม่ไหวไม่ไหวแย่แย่เปนเก่าที่จดแล้ว ข, ขํามข้าทุดโฉม่าย ใจประเภทนั่นเป็นใจสุดโสมอยู่ในพวพชาติควากระเกี่ยเจี่ตายเวียนว่ายตายเกิดโกรธแล้วข้องง่าพอโกรธข้องสองพอดีวความโกรธเรื่องเดียวออกมาโกรธร้อยโลกหลอยภบหลอยชาติความทุกข์เรื่องเดียวออกมาทุกข์ซ่อมซ้ำซากซากย่อมทุกข์ย่อมทุกข์ย่อมโกรธย่อมโกรธย่อมหลงย่อมหลงบางคนก็พอใจในความทุกข์ เพราะจะในความโกรธเพราะจะในความหลงหาวัตถุหาเหตุให้เกิดความหลงหาจิตเ่าโมยาเที่ยวติดระลอนหาไปจะให้เกิดความหลงเรืยไปบางคนเชื่อเอาความหลงเพราะนั่นนี่มันก็หลงอยู่จนตายทุกอยูตายบางคนล่าสมัยดื้อด้านแบบนี้เรามาสอนตัวเองในโลกนี้ ไม่ใช่งโง่เหมือนเราคนฉลาดก็ม่สิ่งที่เราทุกคนอื่นเขาไม่ทุกแล้วสิ่งที่เราหลงคนอื่นเขาไม่หลงแล้วสิ่งเราพอใจคนอื่นเขาไม่หลงพอใจเสียจยเขาผ่านได้แล้วลื่นแล้วเรียบแล้วเหมือนมิตภาพแล้วไม่มีคลื่นถ้ามีความพอใจไม่พอใจทตัวชีวิตมีคลื่นเหมือนรถวิ่งอยู่ในคลื่นสนนไม่ดีก็ชุ่โฉม จิตของเราที่วิ่งอยู่ในคืนพอใจไม่พอใจผู้แพร่ๆที่ว่าจิตเป็นคืนนั่นก็สู้โสมได้ง่ายการที่มีความสุขทุกข์ท่องชาติก็มีบางก่อนเัินเสียเสียเปรียบความทุกข์เสียเปรียบความหลงจงมาให้มันเรียบซะเหมือ น, นกับเรือเทียบท่าชีวิตเราเหมือนเรือ เราเดินทางในชีวิตโลกโลกเหมือนเหมือนทะเลฝั่งพันธุพัน์นเหมือนไม่มีน้ำาป็นบกก็ความทุกข์ทนหนังหรือว่าเราแยกวย้อยู่ในห้องน้ำถ้าเป็นผู้ทุกข์ถ้าเห็นมันทุกข์เทียบฝั่งได้ขึ้นฝั่งได้ถ้าเห็นโลกขึ้นได้ง่ายมันทุกข์เห็นมันทุกข์เรืยว่าเรือเทือบท่า ถึงฝั่งนี้ผานได้ง่ายถ้ามันโกรธเห็นมันโกรธขึ้นท่าได้ง่ายขึ้นฝั่งได้ง่ายถ้ามันโกรธเป็นผู้โกรธขึ้นทั่งเลยยากหักดามผ้าโดยเขา่ามันเป็นหน้าผาลอยคออยู่ตรงนั้นแล้วก็ท่วมอยู่พอใจในความโกรธ้าเห็นมันไม่มีไกพอใจความโกรธไม่ใช่ใจความโกรธเป็นอาการเกิดขึ้นมันไม่โกรธ ก, ก็ได้ เปียนได้นี่ก็ว่าเหลือเทียบท่าหัดขึ้นฝังให้บ่อยๆมันหลงรู้มันโกรธรู้มันโกรธเห็นมันโกรธมันเหนื่อยเห็นมันเหนื่อยงั้นเบื่อเห็นมันเบื่อมันหิวเห็นมันหิวมันหนาวเห็นมันหนาวหลักการปฏิบัติทาของยากให้เป็นของง่ายได้ทาของหนักให้เป็นของเบาได้หัดเห็นหัดดู จึงมาดูมาดูภายในเคลื่อนไหวมือให้รู้ให้เห็นเมื่ออยู่ที่ไหนให้เห็นเป็นข้างเป็นข้างไปการสร้างการเคลื่อนไหวกําหนดการเคลื่อนไหวเพื่อเกิดความรู้ย่อให้โตกัเนเรื่องเหมือนแจงดุนไฟดุนไฟมาไม่มีแสงแสงนิดหน่อยเมื่อเราแจงไวๆก็เป็นบง อดความรูส้สึกตัวที่เราสร้างไม่เป็นมันก็ไม่ชัดเจนเราต้องสร้างเป็นคัางเป็นคัางไปเช่นเป็นคัางเป็นคัางไปเช่นเอามื่อวงว่านเขาก็หนดข้างขวารู้สึกรู้สึกรู้สึกหยุดไว้ก่อนรู้สึกรู้สึกรู้สึกหยุดไว้สักหน่อยก่อนรู้สึก เอสรอสรอสหยุดไว้ก่อนจึงค่อยบอกเคลื่อนไหวหมู่ข้างไหนรูปก่อนนี่เขาจะไปของเขาไจะง่ายมั้นเราสอนมันผิดมันถูกให้ขี้ให้นําให้เห็นสองผัาดเอาไม่ใช่การสอนดันหมดทุกอย่างบทเรียนจากการกระทําของเราเป็นครูอย่างยิ่งเติมต้นใหม่จากมือทีละข้างไปข้างนี้เสร็จแล้วมาลูกข้างนี้ เอาขั้นนี้ออกเสร็จแล้วว่าเรียกมากําหนดรูข้างนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไงมันมันยาวมันไม่เป็นเช่นเป็นทาเมื่เราหายใจตามลมก็ตามลมบอกอย่างนี้มเป็นอนุบาลเหมนเรามาเียนหนังสืออาศัยบันทัดต่อไปมันต้องอาศัยมันรู้ไปเองหัดให้มันเป็นไม่ใช่หัดให้มันรู้ ทำให้มันรู้เฉยๆม ใ, ให้มันเป็นในการสอนตัวเองเท่าไรให้แม่นยำออกจากบ้านปิดประตูใส่ใ จ, สจสใส่คนเจใส่ใจกุลูกคนเจใส่กระเป๋าใส่ใจแม่นยำชัดเจนตรงไหนอยู่ตรงไหนรู้สิ่งของที่บ้านที่เรือนรู้เป็นลูตานั่งอยู่นี่ บอกไปเอาปากกาให้อยู่บนโต๊ะหรือไปเอาของอย่เล่นสักข้างซ้ายข้างขวาเลนตาอยู่ข้างขวาเล่นสักเอาใบอนวดาบัดจูนิดอยู่เล่นสักข้างซ้ายมาไปก็ไปจับเอาไม่ต้องเรืยนตาก็ได้หลับตาไปจับเอาเลยเพราะอะไรเพราะมันบันทึกไว้ในใจมันเป็นคอมพิวเตอร์ มันหัดได้มันเจ็บข้อมูลอย่างดีอะไรผิดมันก็รู้อะไรถูกมันก็รู้แต่เราไม่หัดประกานด้านในความผิดความผิดก็เฉยได้ดื้อตรงนั้นไม่เชืเปลี่ยนเป็นถูกมันก็ด้านไม่เห็นชัดไม่แย้ยามแต่ที่ได้ประโยชน์จากความผิดพระเบบีก็ลงโทษอยู่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตัดจะรู้บนความผิดพาด เห็นความไม่เที่ยงเคยทุกปพระความไม่เที่ยงพอมีศึกษาไปนิงโอ้ยความไม่เที่ยงเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขานทั้งวองไม่เที่ยงเมื่อนั้นยอบนหน่อยในสิ่งที่เป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงนั้นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานเอาความไม่เที่ยงเป็นพระนิพพานเลยพระพุทธเจ้าแต่ปุถุชนเราเอาความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์มันก็ไม่เป็นเหมือนพระพุทธเจ้า กูเจ้าบอกเขาไปอย่างนี้มันก็ไปทางอื่นหลงตรงไหนรู้ตรงนั้นเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังสารต้องเป็นทุกข์นั่นยอมหน่อยหรือสิ่งที่เป็นทุกข์เธอเขารูงมานั่นแหละเป็นทางแห่งพระเดชพระานเคยทุกข์ก็บปุจจิามทุกข์ความทุกข์ทำไมเกิดทุกข์เมื่อดูไปดูไปอ้าวความทุกข์ทให้เกิดปัญญาเป็นนิพพานเลยทีเดียว มาเปลี่ยนในปาิบัติคือเปลี่ยนปฏิบัติคือเปลี่ยนปีใหม่แล้วต้องเปลี่ยนร่ายเป็นดีเราี่เปลี่ยนบอสาวความร้อยความดีอยู่ที่ไหนอยู่ที่เรานี้ยเรามีอะไรมีการมีใจเราก็ต้องเปลี่ยนมันมันเกิดมาให้เราเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้ปฏิบัติได้เพื่อทาอัจฉริย์ตรงนี้ที่มันเปลี่ยนได้ การทุกเปลี่ยนเป็นตัวรู้มันหลงเปลี่ยนเป็นตัวรู้ให้เป็นตัวรูปป้ปล่อยเข้าข้างความโูภปล่อยคุยตัวรู้เป็นตัวเฉลยไปก่อนบบกเปิกไปก่อนเมื่อบกบกไปแล้วจะเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาเองเหมืนนอนเรางตาประยุกต์รุงเทพมีคนเขาไปซื้อที่จะสร้างสำนักให้ไปดูแล้วเป็นป่าป่ากกป่าอะไรช่วง สองช่างนอดเขาบอกว่าอีกเดือนเดียวก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเพราะเขาจะทมให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาพอไปอีกเขาก็เป็นรูปเป็นร่างเป็นสะเป็นสาลาเป็นอะไรขึ้นมาเป็นถนนหนทางโลดเป็เข้าอย่างออกเ่าเนี่ยเดินเหยียบมันไปตรงที่ไหนมันลกหลงหลองเป็นป่าตรงไหนไม่รู้ตรงไหนรู้มันตรงนั้นมันเป็นทางได้พอมันมีป่า ปาคืออวิชชาอาวิชชาคือไม่รู้ตรงที่มันไม่รู้รู้ลงไปในชีวิตของเราเนี่ยากนี้เรียกว่าปฏิบัติมันเป็นปีใหม่จริงๆเริ่มต้นใหม่ไม่กี่วันก็จะได้ของใหม่ใหม่ก็เก่ารอยทีเดียวเคยหลงตนนัวนี้ไม่หลงเคยทุกตนนัวนี้ไม่ทุกใหม่เข้าไปใหม่้าไปก็ใจกันได้ อาศัยเราได้ใจก็อาศัยใจได้เดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่หัดมันไม่ใหม่มันเก่ามาใสไม่ได้คําข่าเปาะบางโมโหง่ายโกรธง่ายโหล ง, ง่ายเอาความรงกวนะ่หน้าออกตาอันดีไปข้างหลังอันร้ายไปข้างหน้าคิดอะไรเอาเหตุผลเอาความไม่ดีคิดไปก่อนบุกไปก่อนว่าคนลึกไปข้างหลังคนจังไว้ข้างหน้า ควาดีนะ่ะเมื่อไรก็ไม่รู้แค่เราโกรธต้งดากันก่อนให้เอาความจังไปข้างหน้าก็ยังทําได้ถ้าบันโกรธหยุดชั่งหน่อยหัดเอาความดีไล่ข้างหน้าเปลี่ยนลองดูสิมืาหน้ามือหลังมือเปลี่ยนอันนี้หัดที่หนึ่งสองข้างสองข้างง่ายแทว่าเนี่ยแต่เราไม่หัดก็ยากนะต้องหัดตัวเอง ถ้าท่าเป็นูกตอนนี้พเก้าของปีใหม่ได้สิบกว่าชั่วโมงให้มันใหม่กว่าเก่าปฏิทานไว้ในใจเสมอเราที่เป็นความชั่วจะให้มันตามมาเปลี่ยนละสร้างความดีให้มากๆรีอว่าภาวนาความดีเนี่ยภาวนาคือขยันรู้เป็นบิดาแห่งความดี ความหลงเป็นบิดาของความชั่วต่อมาตั้งต้นตรงนี้ให้ขยันรู้ขยันรู้ความรู้ไม่ใช่อยู่สุกโตอยู่กับกายกับใจเราเราอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นกายอยู่ที่นั่นใจอยู่ที่นั่นนี่เป็นเป็นม้กว่าที่ปุ่นได้เป็นลูกพระอาทิตย์ก่อนใครถ้าประเทศอื่นอย่างยุโรปอเมริกาเวลานี้ ถ้าเราจะเป็นหนึ่งทุ่มของเขาจะเป็นหนึ่งโมงเช้าตรงกรันข้ามเพราะนั้นเนี่ยเป็นสมมุติปัญญัดของโลกสากลถ้าจะเป็นของเราจริงอยู่กับเราอันใหม่เสมอถ้าเราไม่รู้ตรงนี้ก็เวลาคืินเจนเราไปถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็คกนเจนเวลาไปได้ประโยชน์ หลงตาก็เดินทางมาไกลแล้วเจ็ดสิบกว่าปีได้ประโยชน์มาจากชีวิตนี้ประมาณสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยนอกยันสนเชื่อไปวดัดล อ, อ, อยืูแลตัวเองไม่เป็นวอาฝึกกรรมฐานเราเอออยู่ในกรรมาเราเราจะทำความดีเราจะละความชั่วจากนี้จะไม่ทำอกีกจะทำแต่ความดีมีน้ำใจที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสี่สิบกว่าปีเนี่ย เอาชีวิตเกิดมาได้เป็นชีวิตจริงๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่คมร้ายคมดีนี่มันได้ชีวิตถ้าหลงก็ไม่ได้ชีวิตแล้วถ้าโกรธก็ไม่ได้ชีวิตแล้วถ้าทุกข์ก็ไม่ได้ชีวิตแล้วเป็นของคนอื่นไปชีวิีตของเราจริงไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรปกติเม่ยินดีไม่ยินร้ายบริสุทธิ์ก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเลย ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรเลย ไ, ไปตายไปเจ็บก็ไม่เป็นอะไร<ม>เจ็บก็ไม่เป็นอะไรกับความเจ็บป่วยก็ไม่เป็นอะไรกับความป่วยตายก็ไม่เป็นอะไรกับความตายชีวิตที่ตายกับชีวิตที่เป็นเน็ตเหมือนกันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรอันตายอันเป็นนันเดียวกันจิตอันเดียวกันถ้าเราไม่ฝึกมันก็โอ้ยสุขทุกข์ตายก็ทุกข์มีชีวิตก็เป็นสุข แบบนี้ถ้าเราฝึกเรามันไม่เป็นอันเดือดมันเป็นเดียวกันอันตัวตายก็เป็นอันตัวเดียวกันตัวเป็นก็อันเดียวเก็บป้อนเดียวอันเดียวเลยมีคนถามว่าเราป่วยเป็นไงก็อันเดียวเราหายป่วยได้เป็ไงอันเดียวไม่ได้เป็นอะไรกับอะไรเพราะไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ของเราอยู่ของเราอา น, น, นี่แหละคืออนนี้สงการต์กตน จึงควรที่เป็นของชีวิตเราทุกคนย่อยเสียชาติที่เกิดมาที่นี่สอนอย่างนี้ชวนอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้อย่างอื่นไม่จําเป็นมานี่มาตัวเปล่าได้ที่นี่มีผ้าห่มมีที่นอนหมอนมุ้งมีที่ให้เราให้นอนนี่ประเทศไทยไม่ต้องมีอะไรมาได้เลยวันนี้มีคนมาขอบวชร้อยคน เขาบอกว่าจะบวชแบบไหนอยู่นี่ไม่สุบุรีไม่กินแล้วมัมีทีวีไม่มีพิรุพังเพลงต้องอยู่คนเดียวตื่นแต่ดึกกาจะบวชแล้วจะให้บวชมาบวชที่นี่ไปอยู่ที่อื่นไม่บวชให้ถ้าบวชแล้วต้องอยู่ที่นี่ให้ได้สอนกันก่อนถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องบวชที่นี่ก็ได้ไปบวชที่อื่น ถ้บวที่ต้องกรรมาฐา น, นก่อนถ้าคนก็มาได้ต้องการอยากให้คนมาดูมาพุกขาดดูนี่คือพุทธศาสนาคือพระสงค์คือว่ว า, อารามเป็นของเราทุกคนที่นี่ไม่ต้องของญอดจากใครมาได้เลยบ้านของพวกเราอย่ถือว่ามาวัดก็แล้วกันถือว่ามาบ้านตัวเองไปแล้วก็มาอีกก็ได้ มาแล้วมาต้องบอกเจ้าวาดงานแล้วไปหาสำนักงานไปถามผู้ ด, ดูแลที่นั่นก็าให้คนแจให้พ่อโฮมเออนี้มีคนมาถามหาเจ้าวาดว่าเจ้าวา่ากติเจ้าวาดอยู่ไหนบลวงตาบอกกติเจ้าวาดอยู่ในานา้ำอยากไปไปกราบท่านถ้าจะไปกราบท่านท่านอยู่ผู้หลงเดี๋ยวนี้ ตองเนทางอีกสิบสี่กมทำไมจึงเห็นเจ้าวาดเนาพต้องไปผู้หลงอาจารย์ไปสารเจ้าวาดเคยกันไปเคยมาอันอาจารย์ที่หลวงพ่อวังเขียนว่านา ujemy, ี่เลยหลวงพ่อวามเขียนก็ลังถ่าไมปกันเท่าอยู่เนี่ยวำังถ่าไปวันเท่าอยู่นี่เลยหลงพ่อวางเขียนเขากระอบเลยเราก็นั่งจับขวดนี่ยเขาถ่าย บางคนก็ถารูปบโอ้หลอนตาวัดผูกก็ตองพวกเนาะวัดเนันนี่ยอ้าไม่ต้องมากราบก็ได้มาแล้วมาปฏิบัติธรรมเลยไม่อยากนั่งไ้ใครกราบจริงๆก็ไม่ใช่เจ้าวาดดิไม่ใช่ปลอกเขาแต่ว่าจริงๆมันอาจารย์ประสานหลวงตามาใาส่ที่นี่แต่ก่อนท่านนั่งรอใสยเราเดี๋ยวนี้ต้องอาศัยเพื่อน หมดเจภาพแล้วต่มไายรอยตายไปตวหนังแม่เหล็งกินหัวก็หนวกว่อยากพูดอะไรครับกายพล่วันนี้ก็สมควรเจ็บา้านเนาะให้พรอปีปใหม่ละ <c oughs> สังทัดีเก่าโ <c oughs> งไม่ควาสจข ก, กายจขใจปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งพวงอยายุอันนาสุกาะพลัประกอบกิจการทานชอบ้วยจิตนั้นตามไม่สำเลจตามกบประโฉ์ มีโอกาสได้ศึกษาประเดตธรรมยยิ่งแห่จริงในธรรมบางสูงในจาจ่าสมเจ้าจนถึงมรคนิพพานแล้วได้ช่วยคนอึงนรู้ตามเกิดฉันทิจุกร่กวมกันทุกทนะุนน้าทุกคนทุกคนนอนเถอะ